สัก บ, บูชาเวียนมาถึงก็ถือว่าเป็นวันมงคลสาหรับชาวพุทธและเป็นวันที่เราควรจะลึกถึงพระพุทธองค์โดยเฉพาะสำหรับพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธการนี้เราจะเกถึงพระองค์อย่างไรเราจะเลึกถึงพระองค์ในฐานะผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีลิทานุภาพที่สามารถจะโดนบันดาลความสุข จนบรรดาให้เราสมปรารถนาในสิ่งต่างๆหรือเปล่านะคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะก็นับถือพระพุทธเจ้าในแง่นี้เป็นส่วนใหญ่เวลามาวัดก็ามากราบไหว้พระองค์แล้วก็อธิษฐานขอให้ได้รับสิ่งดีๆที่ พึงปรารถนาไม่ว่าจะเป็นอายุวันณนะหรือว่าโภคะแล้วยิ่งเชื่อว่านะถ้าใดไปถึงสถานที่จริงนะที่พระพุทธองค์เคยเสด็จประทับหที่เราเรียกว่าสังเว ช, ชนิยสถานก็ยิ่งมีโอกาสมากที่จะได้รับอนิสง หรือดะรับพระพรจากพระองค์ได้รับอนุภาพของพระองค์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คลาวคลาดจากอันตรายนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งหรือว่าเราจะลึ ก, ล ก, ลกถึงพระองค์ในฐานะที่เป็นพระบรมศาสดาไม่ใช่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระรมศาสตราก็หมายควาว่าเป็นบรมครูของเราเมื่อเราหรือถ้าเราเราลึกถึงพระองค์ในฐานะจะเป็นพระบรมศาสตราเราก็ต้องสนใจนะว่าพระองค์เป็นแบบอย่างให้กับเราอย่างไรบ้างเพราะว่าผู้เป็นบรมครูเนี่ยเรานับถือเพราะาท่านสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเราได้ แบบอย่างในทางดีงามแบบอย่างในทางคุณธรรมอันประเสริฐรวมทั้งสนใจใค ร, ร่รู้คำสอนหรืออนุศาสตร์ของพระองค์เมื่อเรานับถือใครเป็นครูบาจารย์เนี่ยก็หมายความว่าเราพร้อมที่จะน้อมรับเอาท่านเป็นแบบอย่าง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งรวมทั้งเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตหรือว่าพร้อมที่จะน้อมรับคำสอนของพระองค์อันที่ถา้ว่าเราแต่ลร ะ, ะลึกนึกถึงพระองค์ในฐานะที่เป็นพระมรัสดาก็ต้องถามตัวเราเองว่าเนี่ยพระองค์เป็นแบบอย่างให้กับเราในเรื่องใดบ้างหรือวพระองค์มีคำสอน ที่เราพึงสะดับตับฟังอย่างไรบ้างมันจะต่างจากการที่นับถือพระองค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มากราบไหวนะ้มาบูชาด้วยอารมิตแต่ว่าถ้าเรานับถือพระองค์เนี่ยจะเป็นบรมศาสสดาเป็นบรมคูเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะน้อมรับเอาพระองค์เป็นแบบอย่างหรือเป็นต้นแบบแห่งการดาเนินชีวิตแล้วก็ พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ด้วยนี้คำสอนพระองค์เนี่ยคืออะไรนที่จริงเนี่ยถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยนะมันก็มีอยู่แล้วนะในความหมายของวันทิสากาบูชาอย่างที่เราทราบดีนะวันยิส า, าบูชาเนี่ยก็เป็นวันที่ คล้ายหรือตรงกับวันประสูติตัดสรุและประินิพานของพระองค์เพียงเท่านี้เนี่ยมันก็มีความหมายที่เราสามารถจะน้อมนำไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์แก่ชีวของเราได้ในดานหนึ่งเการประสูติและการปรินิพานของพระองค์เนี่ย มันก็สะท้อนนะความจริงของชีวิตที่ไม่มีใครหนีพ้นเราเรียกว่าสัจธรรมคือเกิดแล้วก็ต้องตายไม่พ้นไม่เว้นแม้กระทั่งพระบรมศาสดาซึ่งแต่ละการยกยองมาเป็นมหาบุรุษนะพระองค์จะเกิดมาด้วย สิทธิพิเศษหลายอย่างในฐานะที่เป็นพระอรรนะของพระเจ้สุทธทันนะแต่สุดท้ายเนี่ยพระองค์ก็ต้องมีวันปรปนิพพานเพื่สั้นๆคือว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องตายอันนี้คือสัจธรรมของชีวิตซึ่งบางครั้งเราก็เรียกว่านี่นี่คือทุกข แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์วันวิสาขบูชาเนี่ยความหมายหนึ่งก็คือเราทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องเจอความทุกข์ซึ่งมีความตายเนี่ยเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกคนทั่วไปแต่ในด้านหนึ่งการตัดสรลก ข, ของพระองค์เนี่ย ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสิ่งที่เรียกว่าศักยภาพไม่ใช่ศักยภาพของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะแต่เป็นศักยภาพของมนุษย์อันนี้แหละที่พระองค์เนี่ยเป็นแบบอย่างว่ามนุษย์เราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพ้นทุกข์ได้แม้คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตาย แต่ว่าเราก็มีศักยภาพที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์และพ้นจากความเกิดความตายรวมทั้งความแก่ความเจ็บความพัดพลาดซึ่งอยู่ระหว่างความแก่และความซึ่งอยู่ระหว่างความเกิดและความตายได้ศักยภาพของมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างเนี่ยว่าสามารถจะ พาจิตพาใจให้พ้นจากความทุกข์ได้อันนี้เกิดขึ้นจากการได้ปฏิบัติเกิดขึ้นจากการทําความเพียรไม่ใช่เกิดจากการบนบานสารกล่าวหรือการบนบันดาดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดจากความเพียรของพระองค์โดยแท้ซึ่งมนุษย์เราทุกคนก็สามารถที่จะ มีความเพียรเช่นนั้นได้และเป็นความเพียรที่เป็นไปอย่างมีขั้นมีตอนที่พระองค์เนี่ยทรงนำมาแจกแจงเป็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์นะที่เราเรียกว่าอริมัคมีองแปดหรือบางครั้งพระองค์ก็จัด รวมๆเรียกว่าอริยสัจสี่การที่คนเราเกิดมาแล้วต้องตายเนี่ยอันนี้คือศัจจธรรมที่แสดงชัดเจนในวันวิสาขาบูชาขณะเดียวกันเนี่ยการที่พระองค์ทรงตัดสุรุซึ่งหมายถึงการพ้นทุก์เนี่ย เกิดจากการบําเพ็ญเพียรเกิดจากการปฏิบัติซึ่งทุกคนถ้าปฏิบัติและมีความเพียรก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงนำมาแจกแจงเนี่ยมันก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะ เรียกว่าจริยธรรมวันมาคาบุวันที่สาวกบูชานี่ก็เป็นวันที่สะท้อนหรือแสดงให้เห็นถึงศัตธรรมความจริงที่มนุษย์ต้องประสบและขั้นการก็เชื่อถึงจริยธรรมที่ถ้าว่าเรานำไปปฏิบัติ ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเรามันก็จะสามารถแสดงออกมาจนพาเราสู่ความพ้นทุกข์ได้นนสัจธรรมและจะริยธรรมเนี่ยนะก็เป็นเรียกว่าคำสอนหูเจ้าที่เราควรจะศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติหรือเราจะเล่อีกอย่างหนึ่งว่าพระองค์ทรงสอนเรื่องธรรมดา และธรรมจริยาธรรมดาคือความจริงนะที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบหรือความจริงที่อยู่เบื้องหลังความเป็นไปของโลกและชีวิตนะนั่นคืออนิจจังทุกขังของนัตตาและธรรมจริยาก็คือข้อปฏิบัติที่นําไปสู่ความพ้นทุกขนะ์เนี่ยเมืม่อถึงวัน ที่สาคบูชาเนี่ยเราก็ควรมาเตือนใจเตือนตนนะว่าพระเะจ้าทรงสอนอะไรแล้วก็น้อมใจที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อการปฏิบัติให้ความทุกข์มันทาเบาบางลงหรือได้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์เลยทีเดียวอันนี้การปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะเพียงแค่ว่าทำความดีเท่านั้นนะ ใ้ความดีนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ว่าที่สำคัญจะขาดไม่ได้แล้ก็คือความจริงที่เราต้องเข้าใจความดีคือสิ่งที่ต้องทำความจริงคือสิ่งที่ต้องเข้าใจและตระหนักชัดนะครูอาจาไม่ได้สอนเฉพาะความดี แต่ทรงสอนให้เราเข้าใจความจริงแล้วพราะความจริงนี่แหลนะที่ทำให้พระโกนทัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เพราะการบาเพ็ญตบะหรือว่าการทาบุญหรือเพราะการรักษาศีล อย่างเมื่อผู้จ้าเนี่ยสดทรงแสดงปฐมเทศนาที่ชื่อว่าธรรมจักปตนสูรเนี่ยท่านโกนทัญญานีเป็นท่านแรกนะที่ได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ทำให้สังครัตนะเกิดขึ้นได้จนกระทั่งพระรัตนตรัยเนี่ยครบองค์สามและ กลนัญญท่านได้เห็นสัจธรรมอะไรท่านเห็นสัจธรรมว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาประโยคสั้นๆนี้เนี่ยแสงความหมายที่ลึกซึ้งนะมันแปลว่าสิ่งทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปและมันแสดงว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเนี่ย ไม่มีตัวตนพอจะมีตัวตนเนี่ยมันย่อมไม่ดับย่อมคงที่คงตัวอยู่อย่างนั้นไปตลอดกาลมันเป็นเพราะท่านโกนหิญาณเนี่ยแจ่มแจ้งในศัลธรรมนะท่านจึงได้บรรลุธรรมที่แรกเป็นพระโสดาบันก่อนต่นหลังก็เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นหลังจากที่ได้ฟังอนัตตลกนัสูตร ก็ได้บรรลุอรรถตผลเลยนี่พระทรงเพราะท่านเห็นสัจธรรมท่านอื่นก็เหมือนกันนะที่บรรลุสวดาบันเนี่ยก็เพราะว่าได้เห็นสัจธรรมอย่างท่านอุปติสสะซึ่งภายหลังได้บวชเป็นได้เชื่อพระสารีบุตรเนี่ยตอนที่ท่านเห็นพระสชัชชิเดินบิณฑบาต ท, ที่เมืองราชครื้เนี่ย ท่านประทับใจมากนะในความสงบสํารวมปัสัชชีนี่ก็เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีนะที่เป็นสายธรรมของพระโกนรรัญญอรูปติษาเนี่ยได้สอบถามปัาสัชชีว่าใครเป็นศาสดาของท่านท่านบวชกับใครปัาสัชชีตอบว่าเราบวชกับพระสมณโคโดมพระสมณโคโดมเป็นอาจารย์ของเรา อนุปัสสาเลยถามว่าพระสมณโคดมนี่ท่านสอนอะไรช่วยอธิบายให้ผมได้เข้าใจหน่อยภาษสจีท่านก็ออกตัวว่าท่านไม่สามารถที่จะแสดงธรรมอันลึกซึ้งของพระสมณโคดมได้อย่างทีท่วนก็จะขอกล่าวเพียงสั้นๆ น, นะว่าทำได้เกิดแต่เหตุ พระตจ้าคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมและความดัาแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะทรงมีคำสอนเป็นปกติเช่นนี้ถ้าอุปติสัตว์ฟังก็เปิดปัญญาเห็นธรรมได้บรรลุโสดาปิตผลเลยในทันทีนบรรลุเพราะอะไรเพราะได้เห็นสัจธรรมได้จำแจงในสัจธรรม ซึ่งพระอัสสชีได้สรุปอย่างกระชับมากนะซึ่งต่อมาก็เราเรียกว่าคาถาพระอัสสชิแล้วก็สืบทอดต่อมาสู่คนรุ่นหลังเนี่ยเป็นเวลาสองพันกว่าปีนะที่ท่านสรุปนี่ลึกซึ้งมากนะเพราะมันชี้เห็นนะถึงความจริงของสิ่งทั้งปวงทำใดเกิดตตยเหตุ พระเจาข้าโคดกับสิ่งแห่งธรรมและความหลแห่งธรรมนั้นแปบลบว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะเขาบอทำนี่คือสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันมีเกิดและมีดับแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้สอนอะไรนอกไปจากสิ่งนี้คือความเกิดและการดับของสิ่งทั้งปวงซึ่งไปรวมถึงการเกิดทุกและการดับแห่งทุกด้วยนะอันนี้ก็คล้ายๆกับที่พระโกนัญญาได้จําแจ้งนะหลังจากได้ฟังธรรม ชาพุจ้าว่าสิ่งใดสิ่งใดสิ่งนี้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นเป็นธรรมดาอันนี้คือสัจธรรมนะซึ่งทําให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชาวพุช์เนี่ยควรจะศึกษาเราจะปฏิบัติอย่างไรจะทําความดีเพียงใดนะก็อย่าลืมที่จะศึกษา ปฏิบัติให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ใ, ในศัจธรรมเพราะความเข้าใจในศัจธรรมความจริงนั่นแหละนะที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ได้คนเราเนี่ยมาคิดว่าความผันผวนพลนแปรของสิ่งต่างๆทําให้เราทุกข์เช่นความเจ็บป่วยทําให้เราทุกข์การสูญเสียคนรักของรักทําให้เราทุกข์ ความเจ็บปวยทำให้ทุกข์ก็จริงนะแต่ว่ามันทุกข์กายแต่ความเจ็บปวยไม่ได้ทำให้ทุกข์ใจการสูญเสียทรัพนะก็ทำให้เกิดความสูญเสียสิ่งนอกตัวแต่ไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์ใจแต่ที่ทุกข์ใจเนี่ยก็เพราะไปยึด เอาสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราหรือไปยึดว่ามันเที่ยงเช่นไปยึดว่าร่างกายนี้มันเที่ยงพอมันเริ่มแก่เริ่มชราก็เลยเป็นทุกข์เสียใจที่ตกกังวลพอไปยึดว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเรา พอเจ็บพอร่างกายมันเจ็บมันป่วยก็เกิดความสําคัญเมันหมอแล้วกูเจ็บกูป่วยอันนี้แหละที่ทําให้เกิดความทุกข์คือทุกข์ใจขึ้นมาทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันนะที่มันเสื่อมที่มันหายไปมันไม่ทําให้ทุกข์ใจจนกว่าเราไปยึดว่าเป็นของเรา พอเราพิจารณามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อเวลามันเสื่อมไปเสียไปใจเราจึงเป็นทุกข์นะเกิดความรู้สึกว่ามีกูผู้ทุกข์ขึ้นมาเป็นเพราะเราไม่เข้าใจนะว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์มันไมไ่อยู่ที่ความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆ มันไม่ใชที่ความผลันผวนพลวัตแปลของคนรักของรักแต่มันเป็นเพราะเราไปยึดว่าสิ่งเรานั้นเป็นเราเป็นของเราคือถ้าเราไม่ยึดหรือไม่มีความสําคัญมันหมายว่ากายนี้มันเที่ยงกายนี้มันต้องเที่ยงหรือว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราถึงเวลาป่วยมันก็ป่วยแต่กายใจไม่ทุกข์ด้วย ทรัพสมบัติทั้งหลายต้องปวงไม่ว่าจะมีราคาแค่ไหนเมื่อมันเสื่อมไปเมื่อมันหายไปถ้าเราไม่เชื่อมันเป็นเราเป็นของเราก็ไม่ทุกข์นะคนรักก็เหมือนกันนะแล้วเขาจะเจ็บป่วยแล้วล้มตายแต่ถ้าเราไม่ไปยึดว่าเป็นของเรา ใจมันก็ไม่ทุกข์นะแต่ที่ทุกข์เนี่ยเพราะไปะยืดเป็นเราเป็นของเราอย่างที่ผู้เจ้าตรัสนะกับนางกีสาโกตมีเนี่ยซึ่งเสียลูกไปและนางมีความทุกข์มากตอนหลังผู้เจ้าตรัสเป็นพุทธภาษิตว่ามรตยู ยอมพัดพาผู้หลงไหลยึดติดในลูกและสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกับน้ำป่าเ <c oughs> ช่นเดียวกับน้ำป่าที่พัดพาผู้ที่หลับไหลไปฉะนนั้นนางฟังและพิจารณ า, นานก็เกิดปัญญาเห็นแจ้งเลยนะจิตลุดพ้นจากความทุกข์ไปเลยเป็นพระโสดาบัน ภาษีสั้นๆ น, นี่เนี่ยแฝงสัจธรรมที่ลึกซึ้งนะน้ำป่าเนี่ยมันจะพัดพาามันจะพัดพาคนได้เนี่ยก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อเป็นคนที่หลับไหลไปแล้วถ้าไม่หลับไหลน้ำป่ามันก็พัดพาไปไม่ได้เพราะว่าสามารถจะหลบหนีไปสู่ที่สูงได้น้ำป่าเนี่ยมันพัดพาเฉพาะคนที่หลับไหล ให้ไปไหนให้ไปสู่ความตายแต่ว่าคนที่ไม่หลับไหลน้ำปาก็ทำอะไรไม่ได้เช่นเดียวความตายเนี่ยมจุราเนี่ยมันจะพัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกในสัตว์เลี้ยงพัดพาไปไหนไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าไม่หลงไหลในลูกในสัตว์เลี้ยง มะจุราชหรือมรตยูก็ทำอะไรไม่ได้ผู้ยหญก็คือว่าทุกมันเกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นเพราะใจไปยึดเกิดขึ้นเพราะความหลงไหลความยึดติดนางกิสาพุทธมีเนี่ยนะพอพิจารณานี่เห็นแจ้งนะเกิดปัญญาเลยกิดหลุดพ้นเเป็นพระโสดาบัน ซึ่งภายหลังก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ในการที่คนเราเนี่ยจะออกจากทุกข์เนี่ยหรือไกลจากความทุกข์ได้เนี่ยทำความดียังไม่พอนะมันต้องเห็นความจริงด้วยเพราะทำความดีแต่ถ้าไม่เห็นความจริงก็ยังทุกข์ทำความดีแต่คนไม่เห็นความดีของเราก็ทุกข์ทำความดีแต่มีคนดิงทาว่าร้ายก็ทุกข์ แต่ถ้าเห็นความจริงว่ามันเป็นธรรมดาดินทาสารเสริญเป็นของคู่กันเห็นความจริงแบบนี้ใครนินทาใจก็ไม่ทุกข์ไม่มีการเน้นตําใจว่าทำไมทำความดีแล้วไม่มีใครเห็นความดีของเราทำไมทำดีแล้วยังมีคนว่าร้ายเราหรือทำดีแล้วทำไมยังเจ็บป่วย ไม่ยุติธรรมเลยนะเราสาธธรรมความดีมาทั้งชีวิตทำไมต้องมาเจ็บป่วยนี่เพราะไม่เห็นความจริงว่าความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาอย่าว่าแต่เราเลยแม้กระทั่งพระพุทจ้าพระรหัน์ก็ยังต้องเจ็บป่วยต้องอาภาพและเราวิเศษมาจากไหนนะจึงคิดว่าจะไม่เจ็บป่วยเพราะว่าเราทำความดีเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเห็นความจริง มันก็ป่วยแต่กายใจไม่ทุกข์เราสามารถเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ถ้าจิตเห็นความจริงเกิดปัญญาแต่ถ้าไม่เห็นความจริงไปเกิดไปยึดมัน่นถือมัน่นว่าเป็นเราเป็นของเราเราเองทุกข์ไม่พอนะมึงทีทำให้คนอื่นทุกข์ด้วย อย่างมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยรักรถมากเลยได้รถคันใหม่มาโอนุทนอมอย่างดีวันหนึ่งขณะที่กำลังแต่งรถอยู่ลูกสาวอายุหกขวบเอาตะปูเนี่ยมาขีดเขียนตัวรถพ่อนี่โกรธมากเลยจับ มือลูกเนี่ยมาตีมาตีาตีตี ต, ตีลืมแปว่าตัวเนี่ยกำลังถือปจัจแจอยู่นะขันน็อตอยู่บอกว่ามือของลูกสาวนี่ยับเยินเลยพ่อเสียใจมากแต่ตอนนั้นนี่โกรธโกรธจนลืมตัวลืมแปว่ากำลังถืออะไรอยู่ แล้วทำไมโกรธ น, นะก็พอไปยึดว่ารถเป็นกูเป็นของกูพอยึดว่ารถเป็นของกูลูกสามาขีดนะตัวรถนี่โกรธทันทีเพอรู้สึกว่าตัวกูถูกกระทบตัวกูถูกขีดไปด้วยแล้วมันก็น่าคิดนะ ขณะที่คิดว่ารถเป็นของกูเนี่ยแต่บอกว่ากูกลายเป็นของรถไปซะแล้วยอมทําร้ายลูกเพื่อปกป้องรถอันนี้แสงว่ารถเป็นของเราหรือว่าเราเป็นของรถกันแน่นะจะยิ่งเสียใจใหญ่นะเพราะว่าลูกเขียนว่าอะไรข้างรถเนี่ยเขียนว่าหนูรักพ่อ โอ้ยพ่อนี่จิตสลายเลยนะตีมือลูกจนจับเยินแล้วแล้วมารู้ตัวว่าตัวเองรักรถมากกับรักลูกปกป้องรถและทำร้ายลูกทั้งที่นี่ยลูกเนี่ยไล่เดียงสาต้องการบอกพ่อว่าหนูรักพ่ออันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะ จกิขึ้นเพราะว่าความยึดติดถือมั่นว่ารถเป็นกูเป็นของกูถ้าไม่ยึดนะลูกขีดลูกเขียนยังไงก็ไม่ทุกข์แต่พอไปยึดว่ารถเป็นของกูเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่ขีดเขียนเลยนะแม้กระทั่งทําไม่มีริ้วร้อยนี่ก็ต้องโกรธละ แ, แม้คนที่ทำจะเป็นลูกก็ตามาคนเราเนี่ยถ้ามันมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆนี่ มันก็พร้อมจะทุกข์ได้ทุกเวลานะถ้าว่าเกิดความผันผวนปนแปกับสินที่ไปยึดแต่ถ้าหากว่าความยึดความอยากมันไม่ได้แน่นหนามีความผันผวนปนแปลเกิดขึ้นอะไรอย่างไรกับสินนั้นเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์มากงั้นถาาว่าเราเนี่ยปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ห่างไกลจากความทุกข์นะ แต่พราะความทุกข์ใจเนี่ยก็ต้องเรียนรู้นะในการที่จะฝึกใจให้ปล่อยวางปล่อยวางเพราะมีปัญญานะมีปัญญาคือเห็นความจริงว่ามันมีมีอะไรที่จะยึดมัน่นถือมันเป็นเราเป็นของเราได้แต่การที่จะปล่อยวางสิ่งที่ให้ความสุขกับเรา ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราสามารถจะฝึกปล่อยวางได้จากการที่ไม่ยึดติดถือมั่นนะกับสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราอะไรที่ให้ความทุกข์กับเรานะก็คืออารมณ์ความโกรธความเกลียดนะความเศร้าความน้อยเนื้อต่ำใจความเครียด รวมทั้งความทรงจำที่เจ็บปวดอาจจะปล่อยวางลูกว่าลูกไม่ใช่ของเราทำได้ยากอยู่ปล่อยวางร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเร า, าจจทำได้ยากอยู่แต่ว่าที่ทำได้ง่ายกว่าคือปล่อยวางความโกรธความเกลียดความเครียดอดีตที่เจ็บปวด ปล่อยวางด้วยการมีสตินะรู้ทันความคิดและอารมณ์หรือภาพความทรงจำต่างๆมันเกิดขึ้นก็ไม่ปล่อยให้มันคลองใจรู้ทันเมื่อความโกรธปรากฏรู้ทันเมื่อมีความหงุดหงิดในสิ่งต่างๆ รู้ทันนะเมื่อมีความวิตกกับภาพอนาคตที่ปรุงแต่งทั้งๆ ท, ที่มันยังไม่เกิดขึ้นล้วเราฝึกได้นะให้เห็นเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับใจในปัจจุบันขณะเราจะยังไม่ทัน หรือไม่สามารถเห็นสัจธรรมความจริงว่าสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนได้แต่เราสามารถที่จะเห็นรู้ทันความคิดและอารมณ์ต่างๆที่มารบกวนหรือเผาล้นจิตใจเราได้เห็นแล้วมันก็จะปล่อยเห็นแล้วมันก็จะวางล้นทั้งความคิดและอารมณ์ต่างๆด้วย นี่คือสิ่งที่เราทำได้อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ใดเห็นความจริงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจมแจ้งไม่งอนงันคลอนแคลนขอควรพ่อพู้นาการเช่นนั้นไว้ควาว่าทมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ย น, นก็คือความจริงที่เกิดขึ้นในเวลานั้นหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงซึ่งเกิดจากการปรุงแต่งของใจ ปรุงแต่งของกิเลสปรุงแต่งของความยึดถือในตัวตนให้ฝึกปล่อยฝึกวางนะความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เป็นอกุศลซึ่งล้วนแต่ทำความทุกขให้กับเราต่อไปเนี่ยอารมณ์อกุศลเหล่านั้นละ่ะถ้าว่าเราหมั่นดูหมั่นสังเกตยอยู่บ่อยๆ เราก็จะรู้ต่อไปว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเราจะเข้าใจเลยนะว่าความคิดไม่ใช่เราความโกรธไม่ใช่เราแล้วทางสุขและทุกข์ก็ไม่ใช่เราต่อไปความปวดทางกายก็ไม่ใช่เรานะมันจะเห็นว่า อะไรต่ออะไรนี่ไม่ใช่เราเนี่ยชัดขึ้นเรื่อยๆและต่อไปมันก็จะเกิดปัญญาจนเห็นว่าสิ่งที่ให้ความสุขกับเราทรัพย์ก็ดีชื่อเสียงก็ดีร่างกายก็ดีลูกหลานคนรักก็ดีมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหมือนกันแนี่ยแล้วนะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเกิดปัญญา พาจิตออกจากความทุกข์ได้ทงความดีอย่างไรนะก็ยังไม่สามารถพาจิตออกจากความทุกข์ได้ต่อเมื่อเราจำแจ้งในสัจธรรมจึงจะพาจิตออกจากความทุกข์ได้และในวันวิสาขาบูชาเนี่ยหากว่าเราเราลึกนึกถึงพระพุทธองค์ในฐานะที่เป็นพระบรมศาสดาของเรา ก็ขอให้เห็นความสำคัญของการศึกษาและปฏิบัติเพื่อเห็นสัจธรรมเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตเพื่อที่จะปล่อยวางลดความยึดมันสำคัญหมายในสิ่งต่างๆอันนี้ก็ขอให้เราได้นำมาพิจารณานะ ในวัวิสาขาบูชานี้สำหรับการเวียนเทในวันนี้เนี่ยน ะ, อะนอกจากเราจะน้อมใจและลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเราแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราได้นะและลึกถึงบุญคุณของต้นไม้ด้วยนะซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้พระเจ้าทรงตรัสรู้ตอนนี้ก็มีวัดหลายวัดนะนที่ ชักชวนญาติโยมเ <c oughs> วียนเทียนด้วยต้นไม้เพื่อระลึกถึงบุญคุณของต้นไม้และเห็นถึงความสำคัญของการสร้างถิ่นรมณีนะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในพุทธศาสนาที่ถูกมองข้ามไปโดยเพราะในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมา เราลืมไปเลยนะว่าถิ่นลมณนีสำคัญอย่างไรต่อการเกิดและการจจรโลงันธุบมรงคพุทธศาสนาตอนนี้เราก็ต้องจำเป็นต้องรื้อฟื้นความสำคัญของถิ่นลมณนีซึ่งความหมายสั้นๆคือว่าน้ำอุดมร่มรืมร่นในภิษามีต้นไม้ที่ให้ความสงบสงัด เพราะนั้นเนี่ยการเบียนเทนในวันนี้เนี่ยเราก็จะเชิญชวนนะให้มาเวียนเทนกันด้วยต้นไม้แล้วก็ให้ทำสื่อต่อกันเป็นประเพณีสำหรับพวกเราชาวพุทธในภายภาคหน้าอันตรมาก็กล่าวพอสมควรแล้วนะก็ข อ, อยุติการแสดงธรรมแต่เพียงเท่านี้